บวชตามประเพณีหรือว่ามาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมไม่ว่าจะมาด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามแล้วก็อยากจะฝากให้ทำกิ่สองอย่างในช่วงคําวภาษาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ สำหรับพูกที่มาปฏิบัติธรรมนะนะวันนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วมันก็หนีไม่พ้นจากเรื่องที่นะจะฝากไว้นะให้เป็นการบ้านนะเป็นภารกิจสำหรับการเข้าพรรษานะข้อแรกคือว่าให้ ฝึกฝนที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองให้เป็นอันนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายาคนทุกวันนี้เนี่ยอยู่กับตัวเองไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เราจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พยายามทา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 นะอยู่กับตัวเองไม่ได้และพออยู่กับตัวเองเมือแล้วก็จะมีอาการกระสับกระส่ายทุรนทุรายนะต้องทำหาทางทำทุกอย่างเพื่อห น, นีจากตัวเองซึ่งมันก็แปลกนะทุกคนก็บอกว่าหรือเดาได้ว่าจะพูดว่ารักตัวเองรักตัวเอง แต่พอเวลาอยู่กับตัวเองทําไมถึงอยู่ลําบากถ้าเรารักใครแล้วก็อยากอ ย, กอยู่ใกล้เชื่อคนนั้นขนาดคนที่รักรถนะก็ยังอ ย, อยากอยู่ใกล้รถนะเห็นรถก็อยากจะลูบคลำฟ้าวประครบประงมคนที่รักพักเครื่องก็มีความสุขการที่ได้อยู่กับพักเครื่อง แต่ทําไมพอรักตัวเองกลับอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้ในเวลาหลายท่านที่บวชใหม่เนี่ยหรือว่ามาปฏิบัติธรรมมาเข้าพรรษาไม่กี่วันมา น, นี้เนี่ยก็คงจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีแรงแรงผลักอยู่ข้างในนะ มันจะมีความหวยหาสิ่งที่เคยผูกพันนึกถึงเพลงนึกถึงหนังนึกถึงเพื่อนนะมันจะมีแรงผลักที่อยากจะเข้าไปหาถึงตัวไปหาไม่ได้ก็ใจก็จะนึกหา แล้วก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายนะบางทีก็จะรู้สึกเหงานะยิ่งคนที่เคยใช้เวลาอยู่กับการเที่ยวสนุกสนานหรือแม้แต่การหมกมุ่นอยู่กับงานการก็ตามนะพอมาอยู่ที่วัดนะต้องมาจำารรษา มันก็จะรู้สึกว่าอยู่ไม่เป็นสุขละอันนี้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นธรรมดานะเพราะว่าการอยู่กับตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายนะโดยพราะในยุคนี้ที่มันมีสิ่งที่ ดึงดูดใจของเราให้ออกนอกตลอดเวลารวมทั้งไปเข้าใจว่าไอสิ่งภายนอกนั่นแหละนาที่จะให้ความสุขกับเราได้ความสุขของคนเดี๋ยวนี้ก็มันไปผูกติดกับสิ่งภายนอกไม่่อจะเป็นสิ่งของผู้คนหรือว่าความสนุกสนาน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 ความสุขได้ยากมากต้องมีสิ่งเสพนะมาปนเปื้ตลอดเวลานะจะต้องเที่ยวจะต้องหาใครที่ถูกใจนะมาปนเปอตอบสนองความต้องการของเราและได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ ให้เราใช้เวลาช่วงข้อบันศานี่แหละนะเป็นโอกาสดีที่จะฝึกฝนการอยู่กับตัวเองให้เป็นไม่มีใครมาครุกคลีตีวงด้วยไม่ได้ไปเที่ยวห้างไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงก็มีความสุขได้พอเราจะอยู่กับตัวเองได้เนี่ยมันต้องรู้จักวิธี การอยู่กับปัจจุบันให้เป็นอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่อยู่กับลมหายใจอยู่กับเอิเลียบทการเคลื่อนไหวอยู่กับความรู้สึกตัวในสิ่งเหล่านี้ที่ทําให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้อยู่ที่ไหนก็ไม่เหงานะเพราะว่า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 หรือไม่ก็บางคนก็คอยนึกวาดหวังเอาไว้ว่าเออออกพรรษาเมื่อไหร่นะ่จะได้ไปทาอะไรบ้างบางคนแม่บอกว่าจะซื้อรถให้หรือว่าจะได้ไปเที่ยวจะได้ทำตามความอยากอันนั้นมันก็อยู่กับอนาคตแล้วก็เป็นความหวังที่ยิ่งทำให้อยู่กับปัจจุบันได้ยาก พาะมันจะคอยเร่งให้วันนั้นมาถึงเร็วๆวตื่นขึ้นมาทุกวันก็จะนับวันละว่าอออีก84วันอีก83วันนะแต่ที่จริงเนี่ยจะรู้สึกว่าวันแต่และ ว, วันมันผ่านไปอย่างช้ามากจะรู้สึกทรมานนะถ้าใจมันไปคาดหวังหรือไปะวงอยู่กับอนาคต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 จะรู้สึกกระสับกระส่ายจะรู้สึกว่าแต่ละชั่วโมงที่สุขโตนี้มันผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากคนที่คิดแบบ น, นั้นเรียกว่าใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะทำให้มีความทุกข์นะกับการอยู่ที่นี่มีความทุกข์กัการอยู่กับตัวเองใจมันจะคิดแต่จะว่าหาทางไปพูดคุยกับคนโน้นไปพูดคุยกับคนนั้น เพื่อจะได้หายเบื่อหายเซ็งนั่นก็คือการหนีตัวเองนะให้เรารู้ไว้ถ้าไม่อยากกระสับกระส่ายทุรนทุรายหรือไม่อยากเบื่อก็ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้ อยู่กับเรื่าบทการเคลื่อนไหวอยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันนะไม่ต้องนึกถึงนะวันพรุ่งนี้ไม่ต้องนึกถึงชั่วโมงถัดไปเลยก็ได้แค่เพราอให้พาใจให้อยู่กับปัจจุบันแต่ละขนาดแต่ละขนาดรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็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 แค่ครึ่งชั่วโมงก็จะรู้สึกมันนานหรือเกินอันนียการที่ใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจที่ไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับตัวเองได้ยากสำหรับพระที่บวชใหมนะ่หรือนักปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ย mm hmm. ก็พยายาม ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยสำหรับการอยู่กับตัวเองให้มากๆหลีกเลี่ยง ก, การคลุกคลนะีใจมันอยากจะไปคลุกคลีไปพูดคุยกับขนโนคนนีนะ้จะได้หนีจากตัวเองสักทีหรือว่าถ้าคลุกคลีไม่ได้แล้วก็จะหาเรื่องคิดโน่นคิดนีนะ้การคิด ถึงอดีตที่เคยสวยงามหรือว่าฟันหวานถึงอนาคตเนี่ยมันก็เป็นการหนีตัวเองอีกแบบหนึ่งคือหนีเข้าไปในโลกแห่งความคิดเพราะมันเบื่อไงอยู่กับตัวเองแล้วเบื่อยิ่งคนที่ติดอ่ติดบางอย่างนะที่เคยเสพแล้วไม่ได้เสพเช่นเพลงหนัง หรือแม้กระทั่งอบายามุกเช่นบอรีหรือเหล้าใจามันจะคอยคิดถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเราพยายามฝืนพยายามสู้ไม่นานมันก็หายอาการกระสรับกระส่ายก็ดีอาการ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 กินข้าวเราก็อยู่กับอิเลียบทนั้นนะใจมันจะลอยไปไหนก็มีสติรู้ตัวเมื่อไหร่กลับมาให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่เนี่ยจิตมันจะเกิดความเบาความสบายพอเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความสึกตัวไม่มีความสึกตัวแล้ว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 เราก็จะพบกับความสุขที่ออกมาจากใจได้ง่ายขึ้นนะมันไม่ใช่เป็นความสนุกนะที่มีสีสันมีรสมีชาติอย่างที่เราเคยเสพแต่ว่าเป็นความเบาความสบายยิ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่สงบนะมันก็ช่วยทำให้ให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่าย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 เคยเจอลูกสาวของเพื่อนไปคบกับผู้ชายผู้ชายก็เห็นแก่ตัวแล้วก็เจ้าชู้ตัวผู้หญิงก็มีความทุกข์แต่ก็ยอมทนอยู่ั้าที่ผู้ชายนี่ก็เอาเปรียบดูถูกเพราะว่าเขาไม่สามารถทนอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวได้ ตอนหลังก็ทนไม่ไหวต้องเลิกแต่ก็ยังคิดถึงผู้ชายคนนั้นตอนนี้เขาก็มีแฟนแล้วก็อยากอยากเข้าไปหาอยากไปพูดคุยอยากไปคุกคีอยากไปอยู่ใกล้เพราะอะไรเพราะว่าเหงาอยู่คนเดียวไม่ไดนะ้อันนี้มันเป็นแค่อาการบางอย่างบางด้านของคนที่อยู่กับตัวเองไม่ได้นะยังรวมไปถึงคนที่นะ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 ก็อาจจะมีเรื่องไม่ถูกใจเรื่องกระทบกระทั่งกันก็ต้องมีความอดทนแล้วก็มีความใจกว้างหลายวัดนะที่มีพระมาจรภาษาย่าเยอะเนี่ยสุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะการที่พระทะเลาะเบาแวงกันบางทีถึงกับวิวาทกัน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 ในวันเข้าบรรษาเนี่ยนะพระก็จะมีพิธีกรรมสั้นๆง่ายๆหรืออธิษฐานพรรษาอธิษฐานแปลว่าตั้งจิตมั่นที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในกรณีเข้าบรรษาคือตั้งจิตว่าจะอยู่จำบรรษาครบทวนสมเดือนทำไมต้องอธิษฐานก็เพราะว่าถ้าไม่อธิษฐานแล้วเดี๋ยวอยู่ไม่ถึงนะเพราะว่าโหยหา ชีวิตเดิมๆโหยหาสิ่งเดิมๆที่เคยจากมาที่ได้จากมาหรือพ่อมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันหรือมีอะไรที่ไม่ถูกใจก็ไม่ไหวแล้วฉันไปดีกว่าจริงๆการจำพรรษ า, ามันเป็นการฝึกอย่างดีเลยว่าเราจะอยู่ร่วมกัน50ชีวิตสำหรับพระแล้วก็ ร้อยชีวิตสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติจำรสาด้วยกันเนี่ยได้อย่างไรท่ามกลางความแตกต่างจะอยู่กันแบบน้ำกับน้ำมันหรือว่าอยู่น้าอยู่กันแบบน้ำกับน้ำนมในสาพุธกาเนี่ยพระเจ้าเคยเสด็จไปเยี่ยมพระอนุรุทธะซึ่งไป ปลีกหลีกเล่นปฏิบัติธรรมร่วมกับพระอีกกลุ่มหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมพอนุรุ ธ, ธานี่ก็เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยมีชีวิตที่สะดวกสบายมากนะเป็นลูกของราชาลูกของกษัตริย์ตอนหลังก็ตามมาบวชกับพระพุทธเจ้าทิ้งความสนุกสนานทิ้งความสะดวกสบายความพรั่งพร้อมบริบูรณ์มา มาถือบาดบินธบาทอยู่ด้วยบินธบาทเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็ถามพ่อณุรุทธาลัคณะว่าอยู่สบายดีไหมที่จริงเข า, า, า, าถามว่าพออยู่ได้ไหมนะจริงๆไม่สบายแต่ว่าถามพออยู่ได้ไหมบินธบาทพอไหมเสร็จแล้วก็ถามต่อไปว่ายัางชื่นชมกันยังพร้อมเพรียงกันไม่วิวาดกัน เหมือนน้ำกับน้ำนนท์หรือเปล่ายังมองกันด้วยในตาที่เปลี่ยมด้วยความรักหรือไม่พรูจ้าท่านใช้ภาษาที่เพราะนะมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักหรือไม่พอนุรัธคก็กราบทูลว่าพวกข้าพเจ้าแม้มีกายต่างกันแต่ว่าจิตนั้นเนี่ยเหมือนเป็นดวงเดียวกันแล้วก็พูดว่า ข้าพเจ้าก็ดำเนินอยู่ในใจอยู่เสมอว่าแม้ดำินอยู่ในใจเสมอว่าจะจะเก็บจิตของตัวไว้แล้วก็ปฏิบัติตามจิตของผู้เป็นพันเตหรือผู้อาวุโสอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่สำคัญมากว่าในการที่จะอยู่ด้วยกัน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 บางคนอาจจะชอบพูดตรงๆบางคนอาจจะอ้อมค้อมบางคนอาจจะอ่อนแอแต่บางคนเข้มแข็งแต่ว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วนี่ก็ต้องพยายามที่จะเข้า อ, อกเข้าใจกันให้ได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่คนเราจะอยู่พร้อมเพรียงกันได้เนี่ยเหมือนน้ากับน้ํานมเนี่ย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 เขาอาจจะท้วงติงอาจจะแนะนำก็หาว่าเขาสั่งสอนอันนี้เพราะว่ามันมีพื้นฐานที่จิตใจของตัวเองคือความเครียดความหงุดหงิดนะต่ถ้าคนเรามีความสุขแล้วเนี่ยนะมันมีความเมตตามีความพร้อมจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นหรือพร้อมจะให้อภัยได้ง่ายทุกวันนี้คนที่ทะเลาะเกแวงกันเนี่ย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 หุดหงิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทะเลาะ ก, กันนี่ขนาดคนใกล้นะไม่ต้องนับไม่ต้องพูดถึงคนไกลนะซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันพอไม่มีความสุขอยู่ข้างในหรือว่ามีความทุกข์เข้ามาแทนที่เนี่ยให้การที่จะระบายความทุกข์ใส่คนอื่นด้วยคำพูดทีแรกด้วยด้วยวตาก่อนต่อมาก็ด้วยคาพูดแล้วต่อมาก็้วยการกระทา มันก็ทำให้เกิดการทะเลาะเบาแววงกันง่้งการความการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขราบลื่นเนี่ยมันต้องอาศัยการที่แต่ละคนเนี่ยอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขได้มีความเต็มข้างในผู้เจ้าตัดเป็นคาถานะว่า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 สิ่งใดเต็มสิ่งนั้นสงบนั้นถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยอยากจะอยู่ร่วมกันอยากราบรื่นนะไม่ใช่ไปเรียกร้องคนอื่นให้ทำดีกับเราให้พูดดีกับเราให้รู้ใจเราใจต้องเริ่มต้นที่การที่ทำให้ตัวเนี่ยมีความสุขอยู่ข้างในด้วยการ อยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขหรืออยู่กับตัวให้เป็นนะซึ่งหัวใจมาคือการรู้จักอยู่กับปัจจุบันอยู่ความรู้สึกตัวนะสติที่เรามามาปฏิบัติกันเนี่ยมันสำคัญมากนะมันไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพื่อตัวเราเองและผลพลอยได้คือนะ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 พรษานี้เนี่ยไม่ว่าจะมาด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามขอให้ฝึกสองอย่างนี่คือฝึกที่อยู่กับตัวเองมีความสุขและฝึกที่อยู่กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปกติสุขซึ่งคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราซึ่งพึ่งมาที่นี่วันนี้นะก็คงเห็นความสําคัญแล้วก็ควรจะฝึกฝึกที่นี่อาจจะไม่พอต้องกลับไปฝึกที่ที่บ้านหรือที่ทํางานด้วยโดยว่าพวกเรานี้ก็จะต้องมา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 อ่าแล้วก็คำนี้ก็พูดกันทอนนี้ครับ